Mm hmm. ก็เป็นวันแรกของการเข้าพรรษาประสงค์ก็จะมีพิธีกรรมเล็กน้อยนะเรียกว่าอธิษฐานพรรษาจริงๆมันไม่ใช่แค่พิธีกรรมนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการประกาศถึงความตั้งใจมั่นที่จะจำพรรษาให้ครบสามเดือน อธิษฐานเดี๋ยวนี้เราไปเข้าใจว่าหมายถึงการขออยากได้อย่างโน้นอยากได้อย่างนี้นะแต่ที่จริงอธิษฐานความหมายก็คือการแสดงความตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็หมายถึงสิ่งดีๆนั่นแหละนะคนเรานี่ถากว่าเรา อยากจะทำอะไรที่ดีๆก่อนที่จะลงมือทำก็วควรจะปรุงใจแล้วก็ตั้งใจให้แน่วแน่เพราะว่าถ้าไม่ทำเช่นนั้นก็อาจจะไม่ได้ทำเลยหรือว่าทำได้ประเดียวประดาวแต่ล้วพอเจออุปสรรคเจอความยากลำบากก็เลิกล้มความตั้งใจอธิษฐานนี่ ถืเป็นบารมีอย่างหนึ่งนะเป็นบารมีหนึ่งใน10ประการนะที่ทําให้บุคคลได้เป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงบรรําเพ็ญทศบารมีอธิษฐานบารมีก็เป็นหนึ่งในบารมีที่พระองค์ได้ได้ทําอย่างถึงพร้อมการเข้าปัญญานี้เป็น สิ่งที่ควรจะตั้งใจแน่วแน่หรือว่าได้อธิษฐานเอาไว้ล่วงหน้าเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งจะอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งตลอดเวลาสมเดือนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะปุถีบวชใหม่นะ ต้องเจอวิถีชีวิตแบบใหม่ต้องอาศัยความตั้งใจสูงบางคนก็ไม่คุ้นต้องตื่นเช้าตีสามอาหารเย็นก็ไม่มีบางคนก็อาจจะติดกาแฟติดเหล้าติดบุหรี่มาบวชก็ไม่สามารถจะทาอย่างนั้นได้บางคนก็อาจจะคิดถึงแฟนคิดถึงคนรัก หรือว่าห่วงคนที่บ้านให้สิ่งเหล่านี้นี่มันก็ล้วนแต่พร้อมจะดึงให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะบวชให้ครบสามเดือนได้ยังไม่ต้องพูดถึงว่ามาบวชแล้วก็อาจจะมีการกระทบกระทั่งเพราะว่าต้องอยู่ท่ามกลางเพื่อนพระด้วยกันซึ่งมีจำนวนมากการที่ คนหลายๆคนจะมาอยู่ด้วยกันเป็นเวลาสามเดือนโดยราบรื่นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่านิสัยใจคอต่างกันมาจากคนธลทิทธิคลทางวัตถุประสงค์ในการบวชก็ต่างกันด้วยบางคนอาจจะบวชเพียงแค่ตอบแทนคุณพ่อแม่อาจจะบวชแค่เพื่อทำตามประเพณีบางคนอาจจะมุง่งหลป้นมุ่งพระนิพพาน พอโคจรมาเจอกันในที่ที่1ก็อาจจะมีเหตุให้ต้องกระทบกระทั่งถ้าไม่มีการตั้งใจแน่วแน่เสียตั้งแต่แรกนะก็อาจจะทำไม่ได้อย่างที่คิดแม้กระทั่งตั้งใจมั่นแล้วนะบางทีก็ก็มีเหตุให้ต้องอศึกหารับเทสออกไปหรือว่าย้ายไปย้ายที่ จำพรรษาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราควรจะเห็นความสำคัญจึงเรียกว่าไม่ใช่เป็นแค่ประเพณีนะแต่ว่าให้เรามีความตั้งใจอย่างแน่วแน่เมื่อเราได้อธิษฐานหรือว่าทำพิธีกรรมนี้นะ เรื่องอธิษฐานพรรษานี่ที่จริงแล้วนี่มันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของพระสงค์อย่างเดียวนะแม่ชีก็ควรจะทำเช่นนั้นด้วยถึงแม้ว่าอาจจะไม่มีพิธีกรรมนะที่จะกระทำในท่ามกลางคนหมู่มากอย่างอธิษฐานพรรษาของพระนะแต่ว่าก็ควรจะได้ทำเช่นนั้นด้วย หรือว่าถ้าจะมีการน้อมใจไปพร้อมๆกับพระในขณะที่ท่านอธิษฐานพรรษา ก, ก็ยิ่งดีส่วนพ่อแม่ออกนะที่มาจําศีลนะ ก, ก็ควรอธิษฐานด้วยเช่นกันอย่างเช่นว่าพรรานี้นะจะมามาจําศีลให้ครบจะไม่ให้ขาดแม้แต่ศีลเดียวเว้นแต่ว่าจะป่วย อันนี้ก็จะทำให้อุปสรรคต่างๆมันกลายเป็นเรื่องเล็กลงเพราะคนเรานี่ทําให้แสดงความตั้งใจมั่นตั้งแต่แรกแล้วนี่บอกว่าคิดดูก่อนคิดดูก่อนหรือว่าจะทำให้ดีที่สุดนะพูดลอยๆแบบนี้บางทีก็พอเจออะไรมากระทบหรือมีอะไรมาฉุดมาลังไว้ก็ทำไม่ได้ส่วน พวกเราซึ่งอาจจะมาจากที่ไกลที่ไม่ได้มีความตั้งใจที่จะมาปฏิบัติธรรมที่นี่หรือว่าที่ไหนก็ตามเนื่องจากมีภารกิจการงานเราก็อาจจะเลือกอธิษฐานหรือว่าตั้งใจที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ดีๆ เพื่อเป็นรางวัลให้กับตัวเองก็ได้บางคนอาจจะไม่พร้อมที่จะถือศีลแปดหรือว่ามาค้างแรมในวัดนะแต่ว่าก็อาจจะเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าสองสิ่งสมสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาตนหรือว่าฝึกจิตฝึกใจฝึกกายวาจาช่วงเข้าพรรษานี่ก็เป็นช่วงที่เหมาะ จริงจะเป็นช่วงไหนก็ตามนะคนเราก็ควรจะมีเวลาสำหรับการที่มาพัฒนาตนหรือว่าเข้ามาพัฒนาชีวิตด้านไหนเพราะว่าเวลาส่วนใหญ่ของเราเดนี้มันใช้ไปกับการทำสิ่งภายนอกซี่เยอะเช่นการทำงานหาเงินนะการทำ กิจต่างๆที่เป็นเรื่องของการสร้างประโยชน์ให้กับผู้คนหรือว่าการทำกิจการสาธารณะหรือว่าการไปเพลิดเพลินกับสิ่งภายนอกจนบางทีก็ตกเป็นท่าของอวัตถุสิ่งเสพไปอันนี้ก็เรื่องรวมๆว่าเป็นการใช้ชีวิตให้ไป อ, อยู่กับสิ่งภายนอกซะเยอะแม้ว่าบางอย่างก็จะเป็นเรื่องที่ดี มีประโยชน์นะแต่ว่าก็ควรจะมีเวลาสำหรับการที่เราจะกลับเข้ามาสู่การพัฒนาตนจะเรียกว่าเป็นการสะสมทุนสำหรับการที่จะทำกิจการภายนอกหรือทำชีวิตด้านนอกให้มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นธรรมชาตินี่เขาก็จะมีนะมีช่วงของการที่จะเติบโตปุ้งออกนอก แต่เขาก็จะมีเวลาสําหรับการที่จะเก็บตัวเหมือนกันสัตว์นี่ก็มีช่วงเวลาที่เขาจําศีลเขาก็เลือกเอาหน้าหนาวเป็นช่วงเวลาจําศีลก็จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรไม่ไปหาอาหารหรืออะไรต่อไปแม้กระทั่งผสมพันธุ์ก็เลิกจําศีลเก็บตัวต้นไม้ก็เหมือนกันต้นไม้ส่วนใหญ่โดยเฉพาะต้นไม้ที่ยืนต้นนี่เขาในช่วงเวลาปกติเขาก็จะ แกิ่งก้านสาขาแล้วก็จะปุ่งลําต้นให้สูงขึ้นเรื่อยๆแทงยอดให้สูงขึ้นเรื่อยๆนี่เรียกว่าปุ่งออกนอกนนต้นไม้นี่เขาจะไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไปยิ่งถ้าเป็นหน้าฝนแล้วนี่เขาก็จะยิ่งปุ่งแทงยอดให้สูงขึ้นสูงขึ้นแผ่กิ่งก้านสาขาให้มากขึ้นแต่พอถึงช่วงหน้าหนาวเขาก็จะหยุดนะแล้วเขาก็จะเริ่มทําอีกห้าเนื้็คือว่า แทงลากลงไปแทงลากลงไปต้นไม้นี้ถ้าจะแทงยอดให้สูงขึ้นอย่างเดียวแต่ว่าไม่ยังลากให้ลึกด้วยเนะี่ยก็อันตรายนะเพราะว่าถ้าแทงยอดให้สูงขึ้นสูงขึ้นก็จะเจอแรงลมแรงประทะ ท, ที่แรงขึ้นยิ่งต้นไม้สูงใหญ่เท่าไหร่ก็จะเจอลมเจอพายุมากกว่าต้นเล็กๆ ต้นเตี ย, ตยถ้ารากนี้ไม่ลึกก็อาจจะโอนเองหรือว่าโค่นล้มได้ง่ายคนที่มีความรับผิดชอบสูงขึ้นเรื่อยๆจะเป็นเพราะวัยเช่นเป็นพ่อเป็นแม่หรือว่ามีการงานฐานะสูงขึ้นมีบริษัทบริวารมากขึ้นมีตำแหน่งสูงขึ้นก็เปรียกับต้นไม้ที่สูงเด่นนั้นถ้าไม่มีรากที่ลึก ก็อาจจะเครียดอาจจะถูกกดดันหรือว่ามีความทุกข์ได้ง่ายเพราะว่าเจอไหนจะภาระงานไหนจะคำติชินนินทาของผู้คนที่เขาอยากจะได้ตำแหน่งจากเราหรือว่าคนที่เขาเห็นเราโดดเด่นเป็นเป้าสายตาเขาก็วิพากวิจารชมก็มีตำหนิก็มีถ้าหากว่าจิตใจไม่ เข้มแข็งมั่นคงนะก็ไม่เรียกว่าเจอทุกขลาภนะคืออยู่ด้วยความทุกข์นั้จึงจําเป็นที่ต้องมีเวลาสําหรับการที่จะฝึกจิตพัฒนาชีวิตด้านในนะไม่ใช่แต่ว่าทําแต่เป็นเรื่องภายนอกอย่างเดียวนะช่วงเขาวาสาเป็นช่วงที่ดีเรื่องการฝึกตนนี่ก็สมัยก่อนนะก็จะเน้นเรื่องก็ใช้คําว่าศีล น, นะ ศีลอย่างเช่นศีลห้าก็เป็นการฝึกในชีวิตประจำวันพอข้าพันษาก็มารักษาศีลให้มั่นคงมากขึ้นเช่นอาจจะทำให้ศีลห้านี้นะเข้มแข็งมั่นคงแต่ก่อนเคยกินเนื้อนะก็งดกินเนื้อก็มังสวิรัตนะเพื่อจะให้ไม่ไปมีส่วนในการไปเบียดเบียนสัตว์หรือว่าบางคนก็จะถือศีลแป ที่จริงนอกจากศีลแปลแล้วมันก็ยังมีอีกหลายอย่างเนะี่ยที่ช่วยได้อันนี้แต่ละคนก็ลองพิจารณาดูแต่ว่าก็ไม่ควรละเลยโอกาสนี้ในช่วงเข้าพรรษาอะไรที่เรารู้สึกว่าเรายังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่อะไรที่เรารู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคที่ทําให้ชีวิตเราไม่เจริญก้าวหน้ามีความทุกข์เช่นอาจจะติดในบางอย่างติดเหล้าติดบุหรี่ บางคนอาจจะติดในสิ่งที่ละเอียดกว่านั้นเช่นติดกาแฟจนกระทั่งทำงานไม่ได้ถ้าไม่มีกาแฟหรือว่าบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ชอบตื่นสายหรือบางคนก็ติดคอมพิวเตอร์ติด f a c e b o o นะติดเกมออนไลน์ซึ่งมันทำให้ชีวิตแย่ลงไปเรื่อยๆมีเวลาให้กับคนในบ้านน้อยลงพักผ่อนน้อยลง ก็ควรจะใช้ช่วงคำมั่นานี่แหละฝึกฝนด้วยการลดการละนะหรือว่าเลิกไปเลยมันก็ช่วยทําให้ชิงเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นให้การฝึกพวกนี้เป็นของดีนะไม่ว่าจะฝึกด้วยการมาบวชพระหรือว่ามาบวชชีหรือว่าฝึกมาด้วยการถือศีลแปดหรือแม้แต่การที่จะลดละ ในบางสิ่งบางอย่างประโยชน์อย่างนี้คือว่าเป็นการฝึกให้มีวินัยในตนเองแล้วก็ส่งผลถึงการมีจิตใจที่เข้มแข็งคนสมัยนี้นี่กำลังจิตนี่อ่อนกำลังความคิดนี่แรงสามารถจะคิดได้เป็นวันๆนันนะแต่ว่าจิตใจนี่อ่อนแอบางทีก็รู้ว่าอะไรดีแต่ว่าทำไม่ได้ อย่างที่เขาเรียกว่าดีชั่วรู้หมดนะแต่อดใจไม่ได้หลายคนก็รู้ว่าเล่าบุหรี่ไม่ดีแต่ว่าอดไม่ได้บางคนก็รู้ว่าต้องออกกำลังกายแต่ว่าไม่สามารถทำได้บางคนก็รู้ว่านั่งสมาธิการปฏิบัติธรรมเป็นของดีแต่ว่าใจมันไม่ไปบางคนก็รู้ว่าเนี่ยต้องขุมอาหารในพวกเนื้อนมไข่พวกช็อกโกแลต ของวานี่ต้องเผาๆหน่อยนะแต่ว่าก็ทําไม่ได้อดใจไม่ได้นะดีนี่เป็นสิ่งยั่วยุมากมายเหลือเกินนะตามความเจริญก้าวหน้าของยุคสมัยแห่สิ่งยั่วยุมันก็จะมีมากมายหลายแบบแม้กระทั่งเกมออนไลน์คอมพิวเตอร์หรือว่าละครหนังย่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องของใน สิ่งเสพติดทั้งหลายที่เป็นโทษกับร่างกายไอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นอุปสรรคขัดขวางการดำเนินก้าวหน้าของชีวิตมากก็วควรจะใช้โอกาสนี้แหละนะในการฝึกหรือแม้แต่สิ่งดีๆที่เราคิดว่ามันน่าจะทำแต่ว่าทำไม่ได้สักทีถ้าเราลองทำดูด้วยทำให้เกิดกําลังใจที่เข้มแข็ง ไอ้กำลังใจที่เข้มแข็งนี่มันก็ส่งผลไปมากบางทีก็เรานึกไม่ถึงนะก็เคยมีการทดลองให้คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นประเภทว่าใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมีระเบียบวินัยเท่าไหร่ปินไม่เป็นเวลาเอาแต่ดูโทรทัศน์รูดบัตรเครดิตนะไม่มียัง้งก็เอามาจับมาฝึกออกกำลังกาย ทำ บ, บ่อยๆนะก็ไม่ได้บ่อยมากคืออาทิตย์ละครั้งแต่ว่าทำอย่างต่อเนื่องบอกว่าแค่ 2-3 สเดือนเท่านั้นแหละนะพฤติกรรมการใช้ชีวิตก็เปลี่ยนเช่นกินอาหารขยะน้อยลงสูบบุหรี่น้อยลงนะดื่มเหล้าน้อยลงมีความอดทนกับเพื่อนร่วมงานมากขึ้นใช้บัตรเครดิตน้อยลงแล้วก็มีความเครียดน้อยลงไปด้วย คือเพียงแค่ว่าให้ออกกาลังกายอย่างสม่ำเสมอนะมันก็ไปส่งผลกระทบต่อชีวิตด้านอื่นซึ่งดีขึ้นก็มีนักทดลองเขาก็ลองทดลองซ้ำนะอันนี้เป็นของกลุ่มอื่นก็ทดลองซ้ำามาจริงหรือเปล่าบางทีก็พยายามเอาเลือกคนให้มันหลากหลายมากขึ้นเอาตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงคนวัยกลางคนให้มาออกกาลังกายในยิมนะเล่นแอโรบิก อย่างสม่ำเสมอก็ประกบว่ามันได้ผลเหมือนกันนะก็คือว่าการใช้ชีตนี่ดีขึ้นการเสพการบริโภคในะสิ่งที่มันเป็นโทษต่อร่างกายเช่นกาแฟบุรีเหล้าก็ลดลงบางคนที่เป็นนักเรียนนักศึกษาก็ทกําการบ้านมากขึ้นคนที่เป็นคนทํางานก็พบว่าการทํางานมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีผลงานมากขึ้นแล้วก็มีความ สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วม ง, งานมากขึ้นอันนี้เขาก็สงสัยเออมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคิดว่าเหตุผลก็คือว่าพ อ, อฝึกพวกนี้แล้วเนี่ยมันทำให้จิตใจเนี่ยมีกำลังมากขึ้นพอจิตใจมีกำลังรู้จักควบคุมตนเองได้ก็ทำให้มีแรงต้านทานต่อสิ่งเลร้าอย่างอื่นนะเช่นประอานขยาพวกสิ่งเสพติดทั้งหลาย รวมทั้งค่านิยมบริโภคมันก็มีทิพลต่อคนเราน้อยลงอันนี้เรียกว่ามันส่งผลไม่ใช่เพียงแค่ทําให้สุขภาพร่างกายที่เกิดจากการออกกําลังกายดีขึ้นนะแต่ว่ายัางช่วยลดเงินลดหนี้สินนะช่วยทําให้คุณภาพชีวิตด้านอื่นมันดีขึ้นไอ้เ ร, อเรื่องการฝึกจิตให้มีกําลังเนี่ยสำคัญให้เราสามารถที่ควบคุม หรือว่ารู้จักจับยังช่างใจตนเองได้จริงที่เขาฝึกนี่มันก็ไม่ได้ไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ว่าเมื่อทำบ่อยๆทําทุกวันแล้วเนี่ยมันส่งผลได้เยอะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยในชุมคาบรรษานี้เราออจะเลือกทําสิ่งดีๆสักอย่างสองอย่างไม่ต้องมากนะแต่ว่าขอให้ทำทุกวั น, นเช่นนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเจริญสติ ก่อนนอนสักสินาทีตื่นขึ้นมาก็ทําสักสิบนาทีทําทุกวันตลอดพรรษาอันนี้มันก็จะส่งผลได้เราอย่าไปดูถูกนะว่าทําเพียงแค่สิบนาทีเคยมีบางคนนี่ติดเล่าติดเล่ามากราบหลวงปู่ดูหลวงปู่ดู่ดพ่อมาปัญโยนะนะท่านมรณภาพาไปแล้ววัดสแกยุธยา ก็มีคนชวนให้เขาถือศีลสมาทานศีลนะเขาบอกเขาสมาทานไม่ได้เพราะว่าเขายังกินเหล้าอยู่หลวงปู่ก็เลยชวนเขานั่งสมาธิก็บอกเขาก็อ้างว่านั่งสมาธิไม่ได้เพราะยังติดเหล้าหลวงปู่ก็บอกว่าแกกินเหล้าก็เป็นเรื่องของแกแต่ว่าแกทําสมาธิให้ชันได้ไหมวันละห้านาทีผู้ชายคนนี้ก็คิดว่าเออห้านาทีแค่นั้นเลยได้สิ แต่เขาไม่ได้เป็นคนที่รับปากเพล่ยๆนะ่ยเขาเป็นคนที่รับปากแล้วก็ทําจริงเขาก็นั่งสมาธิทุกวันตามที่รับปากหลวงปู่ดูทําไปทําไปก็ยังกินเหล้าอยู่นะแต่ว่าทําทุกวันทําทุกวันได้ผลก็ขยายมาเป็นสิบนาทีสิบห้านาทีบางวันกําลังนั่งสมาธิอยู่นะเพื่อนมาเรียกให้ไปกินเหล้าเขาก็บอกว่ายัางยังไม่ไปกิน น, นะนะปฏิเสธ เ, เพื่อนเพราะว่า ยังนั่งสมาธิอยู่กําลังนั่งสมาธิอยู่ฉันไม่ไปเริ่มจะปฏิเสธนะคําเรียกร้องของเพื่อนได้กําลังจิตเริ่มกล้าแข็งมากขึ้นบอกว่าในสุดเขาก็เลิกเหล้าได้เพียงพราะแค่เริ่มจากการนั่งสมาธิวันละหนาทีตอนหลังก็บวชเลยนะเกิดมีศรัทธาในพระธรรมมาก็เลยบวชชีวิก็เปลี่ยนไปเลยจากคนที่ติดเหล้านะ ก็เปลี่ยนไปเพียงแค่เขานั่งสมาธิแค่วันละห้านาทีถ้าเราลองนึกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นนิสัยไม่ดีแล้วเราตั้งใจที่จะลดละสิ่งนั้นหรือว่าทำสิ่งดีๆแต่ว่าทำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยต่อเนื่องเพียงแค่การนั่งสมาธิ5นาทีเนี่ยถ้าทำทุกวัน มันก็จะมีอา น, นิสงส์มากอาจจะดีกว่าคนที่บอกว่าเนี่ยใัญาประสานี่จะนั่งวันละสองชั่วโมงหรือนั่งสมาธิวัละชั่วโมงนะดูมันใหญ่ดีดูมันเยอะดีแต่ว่าทำไม่ได้ทุกวันก็ทำได้แค่สองสมาธิก็เลิกอย่างนี้ไม่มีประโยชน์สู้เริ่มน้อยแต่ทำทุกวันดีกว่าในภาษานีเราลองเลือกได้นะว่าเราติดอะไร บางคนติดละครบางคนติดหนังเกาหลีนะดูยันตั้งแต่หัวข่ามจนสว่างนะเลิกไม่ได้ก็เป็นโอกาสดีแล้วนะที่เราจะบอกว่าเออฉันจะเลิกนะไม่ดูในช่วงคำนรณสานี้หรือว่าดูแค่วันละชั่วโมงก็พอบางคนจะเลิกไม่ได้นะแต่ว่าเอาแค่วันละชั่วโมงถ้าทำทุกวันนี่เพอเพอนี่ก็จะเลิกได้ในที่สุด บางคนติดกาแฟบางคนชอบช้อปปิ้งจ่ายตลาดนะชอบไปเที่ยวห้างก็อาจจะใช้ช่วงขวันศานี่แหละนะอธิษฐานกับตัวเองนะไม่ต้องประกาศใครก็ได้หรือประกาศก็ดีเพื่อให้เขาจะรับรู้แล้วร่วมมือช่วยเหลือเราด้วยว่าจะเที่ยวห้างแห้เดือละครั้งนะหรือว่างดเที่ยวห้างไปเลยนะใครที่ติดใช้บัตรเครดิตก็ ใช้ช่วงคำมาสาัสนี่แหละนะกำหนดกับตัวเองก็ได้อของพวกนี้นี่อย่าไปประมาทนะว่าเป็นสิ่งเล็กน้อยความดีแม้เพียงเล็กน้อยนี่มันทำบ่อยๆก็เกิดผลที่มากมีนักธุรกิจคนนึงเป็นผู้หญิงนะแกเป็นคนที่ทำอะไรเร็วๆพองานเยอะนะจนแทบไม่ได้พักผ่อนแล้วก็กลายเป็นคนที่เครียด มีปัญหากดดันมีความเครียดมีปัญหาความสัมพันธ์กับลูกและลูกน้องจนกระทั่งเคยคิดจะฆ่าตัวตายเพราะว่างานมันเกิดล้มเหลวคนแบบพอเครียดแล้วเนี่ยพอจะอุปสรรคหนักๆเข้าไปนี่บางทีอยากจะฆ่าตัวตายก็มีแต่ว่าตั้งสติไว้ได้วันหนึ่งก็ไปเข้ากิจกรรมไปเข้าคอร์สแล้วก็ได้พบว่าตัวเองนี่เป็นคนที่ชอบทํำมาเร็วๆๆ แล้วในคอร์สนี้เขาก็มีการกําหนดว่าจะต้องเลือกทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองอะไรก็ได้ง่ายๆที่ทําได้ทุกวันแล้วเขาก็เลือกเคี้ยวข้าให้ช้าลงแค่นี้แหละเพราะว่าเขาเป็นคนที่เคี่ยวข้าวเร็วมากมือหนึ่งไม่ถึงห้านาทีก็เสร็จและเพราะต้องรีบไปทํางานระหว่างที่เคี่ยวคงจะคิดถึงเรื่องงานไปด้วยแต่พอเขาเริ่มที่จะ เคี่ยวข้าวให้ช้าลงแล้วก็ตั้งใจทําทุกวันพราว่าชีวิตเขาดีขึ้นทีแรกก็พบว่าเออเคี่ยวข้าวช้าลงนิดรู้สึกว่าข้าวมีรสหวานนะแต่ก่อนไม่เคยรู้สึกเลยตอนหลังก็มาพบว่ า, พ, วาพอเคี้ยวข้าวช้าลงแล้วมีเวลาคุยกับลูก<ม>บทโต๊ะอาหารแต่ก่อนไม่มีเวลาไม่มีเวลาคุยกับใครตั้งสิ้นบนโต๊ะนะเอาแต่เคี่ยวๆๆแล้วก็ไป พอมีเวลาคุยกับลูกโอภาปพาพาสายใจถามทุกสุขความสัมพันกรุ๊ป ก, ก็ดีขึ้นทําแปลงสงกหน ก, ก็พบว่าไอ้โรคที่เคยเป็นประจําเช่นโรคหายใจไม่ทั่วท้องและโรคปวดท้องก็หายไปด้วยก่อนกินยาทุกวันก็ไม่หายเดี๋ยวนี้หายแล้วพอเคี้ยวข้ายช้าลงพอเคี้ยวข้ายช้าลงก็มีผลให้ทําให้การทําอะไรการทํางานมันก็มีสติมากขึ้นเคี้ยวข้ายัางมีสติก็ทําให้การทํางานมีสติ ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับลูกน้องก็ดีขึ้นก็กล้าที่จะโอนงานให้ลูกทําบ้างโอนงานให้ลูกน้องทําบ้างมีเวลาเหลือมีเวลามากขึ้นก็เครียดน้อยลงแต่ยังมีเวลาพาพ่อแม่ไปเที่ยวไปเยี่ยมพ่อแม่ก่อนแล้วก็พาพ่อแม่ไปเที่ยวความสัมพันธ์กับพ่อแม่ก็ดีขึ้ น, นชีวิตนี้ในส่วนหนึ่งก็ดีขึ้นตามลําดับเพียงเพราะว่าเริ่มต้นจากการเคี้ยวข้าให้ช้าลง วานนี้เรื่องการทําสิ่งดีๆเนี่ยนะเราอย่าไปดูแคลนมันขอให้ทำทุกวันแม้ว่าเราจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆทําทุกวันเพราะฉะใ น, นช่วงคำปราศาานี่หลายคนก็อาจจะต้องกลับวัดในวัน2วันอาจาต้องกลับบ้านไปใช้ชีวิตตามปกติแต่ก็อย่าให้มันเป็นชีวิตตามปกติไปเสียหมดนะให้ลองลองเลือกดูว่าเรามีอะไรที่ควรทําแต่ไม่ได้ทําหรือว่าตั้งใจทํามา ช้านานแต่ว่าทำไม่ได้สักทีอะไรที่อยากจะเลิอกอยากจะลดแต่ว่าลดไม่ได้สักทีเราก็ลองทำดูจะเป็นเรื่องการเสพการบริโภคก็ได้จะเป็นเรื่องการฝึกจิตฝึกใจเช่นการนั่งสมาธิก็ได้หรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการควบคุมกายวาจาก็ได้เช่นบางคนชอบนินทาเพื่อนบางคนชอบโกรธนะก็จะตั้งกติกากับตัวเองว่าเออวันนึงเราจะไม่ให้ความโกรธเป็นข้ามคืน หรือว่าจะไม่บนไม่ว่าเพื่อนเกินสามครั้งอะไรทํานองเนี้ยนะเราลองคิดดูบางคนอาจจะตั้งใจว่าจะสมาทานบางสาวิรัตนะอันนี้ก็ร่วมแต่สิ่งที่ดีทั้งนั้นนะไม่ยินเป็นว่าจะต้องสมาทานศีลแป ต, ตามประเพณีเราก็เลือกตามแบบวิธีการที่เราถนัดที่มันเหมาะกับตัวเราบางคนความสัมพันธ์กับเพื่อนกับครอบครัว ไม่ค่อยดีก็ตั้งใจว่าในภาษานี้เราจะให้เวลานะกับลูกกับคนในบ้านกับครอบครัวมากขึ้นเช่นไปเยี่ยมพ่อแม่ทุกาทิตย์อะไรต่างๆนี่เป็นต้นอย่าไปคิดเพียงแค่ว่าฉันจะทำให้ดีที่สุดสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำสักทีมันต้องกำหนดว่าจะทำอะไรที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ทำทุกวันหรือทำเป็นประจำ อันนี้เมื่อตั้งใจทำแล้วก็อธิษฐานด้วยก็ดีนะอธิษฐานเรียกว่าเป็นการบําเพ็ญอธิษฐานบารมีไปด้วยเพียงแค่ตั้งใจลอยๆว่าอยากจะทําแต่ไม่ได้อธิษฐานนะมันก็ความตั้งใจก็จะไม่สามารถจะสู้กับแรงยั่วยุหรือว่าแรงหรืออุปสรรคต่างๆได้ อันนี้แหละก็อยากให้เราเนี่ยลองพิจารณาดูนะในช่วงเข้าบรรษาซึ่งสําหรับพระสำหรับนักบวชนี่ก็จะได้ปฏิบัติได้เต็มเตมหน่อยเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตเป็นเลยมองในแง่หนึ่งก็ทําได้ง่ายเพราะว่าได้มาอยู่ในสิ่งวัลล้อมที่จัดวางเอาไว้นะเพื่อให้การปฏิบัติของเราได้ประสบผลเพื่อให้เราสามารถจะบําเพ็ญหรือว่าดําเนินชีวิตใหม่นะได้อย่างดี ไม่มีงานการต่างๆจากภายนอกที่จะมาดึงเอาความสนใจหรือเวลาจากเราไปสิ่งเล้าสิ่งยั่วยุก็มีน้อยไม่เหมือนคาราวาเนี่ยคาราวานนี่เขาไปอยู่ในถามกลางโลกซึ่งแม้มันจะสะดวกสบายแต่สิ่งเล้าสิ่งกระตุ้นมีเยอะแยะจนกระทั่งดูเหมือนว่าแทบไม่มีเวลาที่จะทำสิ่งดีๆอย่างที่ตั้งใจเลยหรือว่ามักจะมีข้ออ้างหรือว่า มีข้ออ้างที่ทําให้ไม่สามารถจะทําได้แต่ป้านนี้เราหรือแม่ชีนี่เราอยู่ในสิ่งแวดล่อมที่เกือก่อนกลุ่นต่อการที่จะทําสิ่งดีๆดังนั้นมันก็ไอาการที่เราเอธิษฐานพรรษานี้ก็จะทำได่น่าจะทําได้ง่ายแต่มอนี่ไงนี่ก็อาจจะยากนะเพราะว่าสิ่งที่เราตั้งใจจะทำบางทีมันมีหลายอย่างมีหลายอย่างมากนะต้องตื่นให้เช้าขึ้นต้องไปบินทบาทนะแล้วก็ อาหารการขบชันก็อาจจะไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าถ้าเราตั้งใจทิฏฐานแล้วก็มีหมู่บิดคอยช่วยก็ยช่วยทําให้เราสามารถทําสิ่งที่เราตั้งใจได้ก็ให้มีความอดทนนะเพราะว่าบางคนต้องเลิกหลายอย่างที่เคยเสพเคยติดมาแม้กระทั่งการนอนบางทีอาจจะเป็นคนนอนตื่นสายต้องมานอนตื่นเช้าใหม่ๆอาจจะรู้สึกว่ามันยากนะแต่ว่ามันจะยาก ก็ไม่เกินอาทิตย์แรกอนะพร อ, อาทิตย์ที่สองที่ที่สามก็จะง่ายขึ้นพออาทิตย์ที่สี่ก็จะเริ่มชอบก็จะเกิดมีฉันทะไม่รู้สึกว่าเป็นเรื่องยากต่อไปเพราะคนเรานี่มีความสามารถในการปรับตัวได้ง่ายขอให้ใจสู้ถ้าใจมันไม่สู้บอกไม่ไหวไม่ไห ว, ไไหวตั้งแต่แรกมันก็ไม่ไหวจริงๆแต่ถ้าใจเราสู้เชื่อมันว่าเราทําได้เพราะคนหนึ่งก็ทําได้มาแล้วภายในเวลาไม่นานเราก็จะพบว่าเราสามารถปรับตัวได้แล้วก็สามารถจะดําเนินชีวิตของ บรรพชิตได้ยังมีความสุขก็ว่าให้มีความเชื่อมัน่นมีศรัทธานในสิ่งนี้แล้วทุกอย่ามก็จะง่ายขึ้น